เรื่องภิกษุเกาอันทะสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังเก่าอันทะน้ำอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเ็จหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะทําน้ำอสิจิให้เคลื่อน พระพุทธเจา้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่11สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนกำลังเกาลูกอันทะน้ำอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่สิสองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนกําลังเกาลูกอันทะน้ําอสิจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่า